จนกายกับใจเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเมื่อกายกับใจไม่ใช่ตัวเรามันจะไม่เบื่อโลกนะมันจะรู้สึกเดยกายกับใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนั่นแหละมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ไปเบื่อโลกได้ไงญาณเนี่ยติดมันยังรักในความเป็นเราอยู่มันอยากให้จิตของเราดีอยากให้จิตเรามีความสุขอยากให้จิตเราสงบอย่างเงี้ยไม่อยากสุงสิงกับใคระลึกๆลงไปก็คือเรารักตัวเเองนั่นเอง นี่นถ้าเราคอยรู้กายรู้ใจเ็นมันไม่มีตัวเรามันเขาไม่รู้จะเบื่อทำไมกายกระใจนี่มันของโลกปะหกะะัก่ะก็อยู่กับโลกได้อยู่กับโลกนะไม่ติดโลกแต่ว่าสบายมีความสุขคุณพระรลาดาเป็นไง ดูเป็นนะช่วงปลายปลายปีก็ยุ่งหน่อยเราทำธุรกิจน่ะมีหลายคนหัวโตโเลย <c oughs> คิดบัญชีก <c oughs> ็ดีนะเป็นปราดาตอนนี้ดูเป็นแล้วดูเป็นแล้วดูเรื่อยๆอ่องคุณดีแล้วใครรู้ไปเราอย่าบังคับนะอย่าบังคับใจตัวเองอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่ง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 เป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างเวล า, ากิเลสเกิดดูออกไหมตัวไหนดูออกง่ายที่สุดล่ะโลบโกรดหลงเนี่ยโลบเหรอโลบบ่อยหรือเปล่า <c oughs> โลบบ่อยดูไปนะดีกว่าโกรดบ่อยนะโกรดบ่อยดูง่ายโกรดบ่อยไม่มีความสุขแล้วโลบบ่อยอยังพอมีความสุขบ้าง <c oughs> นี่ล่ะเป็นไงบ้างหัดดูบ้างไหม หลพ่อสอนบ้างไหมใช่ได้ใช่ได้ใจค่อยๆตื่นแล้วหนีไปคิดแล้วทราบไหมใจลอยแว บ, บไปเราก็รู้นะใจลอยก็รู้ตอนนี้รู้สึกไหมเราบังคับตัวเองเออบังคับตัวเองก็ไม่เอานะสิ่งที่ผิดมีสองงานหลวงพ่อไม่ได้สอนสิ่งที่ถูกนะหลวงพ่อบอกให้รู้แต่สิ่งที่ผิด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 การที่เราต้องไปยุ่งกับโลกเยอะๆทุกข์คลีมากเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายแต่เราคอยรู้คอยดูอยู่เนี่ยมันใช้ได้อยู่มันไม่ใช่ว่าการปฏิบัติที่ดีจะต้องหนีจากโลกไม่ใช่การที่เราหลบหลีกออกจากโลกชั่วคราบชั่วคราวเพื่อมาฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติเท่านั้นเราฝึกซ้อมอย่านงะเช่นเรามาหัดทําสมาธิเดินจงกรมอะไรงเงี้ยฝึกซ้อมชำนี้ชํานาญลเราก็กลับมาอยู่กับโลก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 ก็คือการที่เราเห็นใจรักษณ์ของสภาวาธรรมที่จักขุ่คือดวงตานั้นไปเห็นเข้าเสร็จแล้วปัญญาอุทธปาทิปัญญามันก็คือความเข้าใจความเป็นจริงแล้วว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีวิชาอุทธปัาทิเป็นความเข้าใจอริยสัจ ต, ตัวที่มีอยู่นี่ตัวทุกข์ล้วนๆเลยตัวเราไม่มีถ้ามีความดิ้นรนมีความทยานอยากเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นเี่ย เสรแล้วอะโลกูทปาที่แสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นเหมืน ส, สว่างครอบโลกกาะถับแต่ช่วงครั้งช่วงคราวนะแวบเดียวนะคุณจีรพันธ์มามาเป็นลมแข่งกัน <c oughs> เป็นไงภวนะน้อมอยู่ไหม <c oughs> อะไรนะดีแล้วดีแล้วที่เห็นบางทีเราน้อมใจไปด้วยมนิ่งนิ่งว่างว่างนะบางคนนึกว่าเป็นพระอรหันนะ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 หรืบ่อยหรือเผลอนานอเออเผลบ่อยใช่ได้ใช่ได้เผลอไปอบ่อยนะเอาให้ได้วันละหลายหลายรอยครั้งนี่หลักเคยมาไหมเป็นไงรู้เรื่องบ้างไห ม, ไมกิเลสเกิดรู้ไหมเออดีเห็นกิเลสนะดีกว่าเห็นเทวดานะพร <c oughs> าะเห็นเทวดาแล้วเราจะเกิดกิเลสแต่เห็นกิเลสนี่เราจะพ้นกิเลสนะอยนลูกศิษย์คนไหนกิเลสเกิดบ่อยลวงพ่อชอบชอ บ, ชอบนิยมยอกย่อ ง, งนะ คนไหนได้หูทิพย์ได้ยินใครเขาพูดนะได้ยินเสียงตลอดเวลาโอ๊ะปวดหัวนะนั่งแก้กันต่างตายเลยกว่าจะแก้ได้คนหนึ่งคนหนึ่งเดี๋ยวเห็นโน้นเห็น น, น, น, นี้เห็นกิเลสดีละขยันดูนะรู้สึกไหมกิเลสเยอะรู้สึกไหมเราร้ายกว่าที่เราเคยคิดไว้นะจะหานางมารร้ายสักคนไม่ต้องหาที่อื่นนะะในใจเรานี่นะร้ายร้ายทั้งวันคุณนีคเคยมาไหม เป็นไงได้ดูใจตัวเองบ้างไหมดีแล้วคอยดูไปเลยคุณจูนเป็นไงจูนหนีไปคิดแล้วคุณผู้ชายเนี้ยลืมตัวเองแล้วลืมตัวเองตอนที่กระดุกกระดิกอะใกลลอยไปให้คอยรู้ไปเลยแต่ไม่ใช่บังคับนะเราจะไม่บังคับอาจูนเป็งไง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 เพ่จะอยู่กับโลกเราก็ปรุงสิ่งที่ดีมีทานมีศีลมีอะไรต่ออะไรสร้างของเราไปด้วยเจริญคุณธรร ม, มเมตตากรุณาอะไรก็ทำไปแต่ถ้าเราอยากพ้นโลกต้องหันมารู้ทุกอริยสัจข้อแรกเลยเรื่องทุกข์ทุกข์นี่จำเป็นที่ต้องรู้พุทธเจ้าท่านนิยาไมไว้เรียบร้อยนะัทุกข์ก็คือกายกระใจดิขันห้าเป็นตัวทุกข์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 เรารู้เฝ้าดูไปอ้าวกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวดีเลยก็ปล่อยวาง mm hmm. จิตใจก็เลิกดิ้นรนหมดความหิวโหยหมดการดิ้นรนจิตใจก็เข้าถึงสันติสุขเข้าถึงนิโรดนิพพานด mm ัง hmm. การรู้ทุกข์จนละสมุทัยเข้าถึงนิโรธได้เรียกว่าการเจริญมรรคเนี่ยอริยสัจสี่ย่ อ, ยอๆดัรู้ทุกข์ไปนะรู้ทุกข์ไปอย่าไปอยู่ๆก็ไปรู้นิโรธนะ หลังๆเริ่มจะมีคําสอนพ่ลึกพิลึกแล้วะให้ไปรู้นิพพานให้ไปรู้มหาสุญญาตาอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ให้รู้กายรู้ใจแล้วรู้ทุกข์แจ่มแจ้งตันหาจะถูกละอัตโนมัติเพราะรู้ว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วจะต้องไปดิ้นให้มันมีความสุขอะไรนักหนาเนียมันทุกข์ล้วนๆก็หมดแรงดิ้นพวกเรารู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้ง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 คนปล่อยวางรูปนามกายใ จ, ใจแล้วเข้าไปเห็นนิพพานได้จริงๆมีแต่ต้องรู้ลงไปมากๆนะรู้ทุกบ่อยๆรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใ จ, ใจวนให้มันเห็นความจริงนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวเราแล้วมันโยนทิ้งนะตรงที่มันทิ้งความยึดตือรูปนามนั่นะแหละมันถึงจะเห็นนิพพานเห็นมหาสุญญตานะเห็นนิโรธนะแล้วแต่มีหลายชื่อนะเห็นสันติก็ได้นะนิพพานมีสันติลักษณะ เห็นวิราคาก็ได้นิพพานปราศจากราคาสัญหาเห็นวิสังขารก็ได้นิพพานปราศจากความปรุงแต่งนี่จะเห็นได้ไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปเห็นเอาเดี๋ยวนี้เริ่มมีคนสอนนะแล้วมารู้พระรหัศกันเยอะเลยรู้กันเต็มไปหมดเลยพระรหรัศหันซ้ายหาันขวานะราบบอกว่าทำไมเป็นพระรหัศแล้วดูนิพพานนะการที่เราไปคิดถึงนิพพาน ไม่ใช่วิธีวิธรมิปัสนาการคิดถึงนิพพานเรียกว่าอุปัสมานุสติการคอยคิดคอยสืบคอยะระลึกถึงนิพพานเรียกอุปัสมานุสติเป็นวิธีรำมสมถะอันนึงการน้อมใจเข้าไปหาความว่างเรียกว่าอากาสานัญญายยตนะเป็นการทำอรูปฌานอย่างหนึง่งการน้อมใจไปอยู่กับความไม่มีอะไรเลยเรียกาอากินัญญายตนะเป็นอรูปฌานอีกอย่างหนึง่ง เั้นถ้าน้อมลงไปนะก็จะเป็นรูปอารูปประชานไม่ใช่รูปนะเป็นอรูปประชานแต่ถ้าคิดเอาก็เป็นอนุสติเนื่องอุปัสมานุสติเพะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะอ ย, อยู่พยายามไปดูนิพพานพวกเราไม่เห็นนิพพานปะุถุชนเห็นไม่ได้เพฉะ้นเราไม่มีที่จะให้ดูเรามีแต่กายกับใจให้ดูเพราะั้นดูกายดูใจไปต้นทางของการปฏิบัติอยู่ที่รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจรู้บ่อยๆจนกระทั่งปัญญามันเกิด เป็นความจริงปนะัญหามันจะดับนิพพานมันจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา อ, อย่าเที่ยวหาตรงๆนะอย่าหานิพพานตรงๆหลวงพ่อต้องมาแก้พระอรหันต์บ่อยมากเลยช่วงหลังๆชักเหนื่อยนี่คนหนึ่งนะเป็นพระอรหันตนะ์ลจิตใจเศร้าขึ้นมานะอาจารย์ก็บอกโอ้ยใช่ใช่แน่นอนอนะเศร้ามันเป็นขันมันเศร้า บอกนี่ไม่ใช่การเศร้านี้จิตเศร้าจริงๆนะออถ้าเห็นจริงนี่ก็อ ย, อยังชั่วแก้ง่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ, อไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่การเห็นนิพพานนั้นบางทีเราดูกายดูใจเราไปเห็นอนัตตลักษณะเห็นความว่างจากความเป็นตัวตน นันสติปัญญาเกิดก็จะเห็นรูปนามเป็นอนัตตาเนี่ยเห็นอนัตตลักษณะส่วนมหาสุญญาตาหรือนิพพานไม่เกี่ยวกับรูปนามนะรู้สึกไหมโลกนี้ว่าง ๆ, ๆโลกนี้ว่างๆบางทีเห็นอว่างอย่างนั้นเป็นว่างที่ยังเข้าคู่กับความวุ่นวายว่างชั่วคราวแต่ไม่ใช่ของจริงถูกแล้วที่ปฏิบัติน่ะถูกแล้ว ไปบางทีก็เห mm ็นบางทีก็ไม่เห็นนะทาถูกนะถึงได้เห็นอย่างนั้นอ้าคุณน้อยกับคุณอ้อยเอ๊ะคุณอะไรนะคุณนี้ชื่ออะไรเนี่ยเออคุณซิมบ้างไงอือ น่นเลิกซะมันผิดตรงที่ไปประคองอะ่ะทำไมถึงประคองอยากให้มันดีเห็นไมทำไมอยากให้ดีเพราะมันคือตัวเรานะครูบาอาจารย์วัดป่าวงหนึ่งผุหลักผู้ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะท่านบอกว่าปฏิบัติอยางแล้วนะกิเลสหนังไม่ถลอกเลยนะเพราะเราไปทนุถนอมมันเพราะเราอยากให้มันดีอยากให้มันสุขเราไม่ได้ดูลงไปว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรานะ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 ดูออกไหมามันมีโมหะหน่อยหนึ่งนะดีที่เห็นนะไม่มีปัญหานะออสตันแอสตันใจค่อยตื่นแล้วดูเรื่อยๆนะท่านธวีชัยท่านเป็นยังไงบ้างน่ามันจะรู้สึกเหมือนมีปิติมีความสุขนะบางที ถ้าหือหวาขึ้นมามันจะเป็นปิติพอเรารู้ทันมันก็ค่อยๆปัดสัทธิค่อยๆสงบลงนะใจก็จะตั้งมัน่นสมาธิเกิดอะไรผ่านเข้ามาใจก็มีอุเบกขาอยู่เป็นกลางไม่จะเดินอยู่ในพดชงนั่นเองแต่ว่าถ้าเรามีสติ ข, ขึ้นมาบางทีมีความรู้สึกเป็นสุขนะช่วยแผ่ๆขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่ปิติเป็นสมนักเวทนาจิตมีสมนัติตมาดีใจมากเลยท่านในผล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 เคยฝึกมาแบบไหนหนุ่มเสื้อแดงเนี่ยเหรอไปเข้าคอสอะไรบ้างไหมเคยไม่เคยเลยเหรอนั่งแบบไหนสมาธินั่งพุทโธก็หัดจากพุทโธได้นะเะนั้นหัดพุทโธต่อไปพุทโธอย่าขี้เกียจนะพุทโธทุกวันพุทโธบ่อยๆพุทโธจดใจมันพุทโธของมันเองนี่พอเราพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ใช่พุทโธเลื่อนลอยนะ พุทโธเพื่อจะคอยรู้ทันใจตัวเองเคยไหมพุทโธพุทโธแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นเออแล้วก็พุทโธของเราไปพอใจมันหนีไปก็รู้ทันพุทโธไปเรื่อยๆบางวันใจสงบรู้ว่าใจสงบนะพุทโธไปแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสรุปแล้วก็คือเราหัดพุทโธเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมลองทํานะคล้ายๆเราเอาพุทโธเนี่ยเป็นกระสอบทรายซ้อมชกอะ่ะ นะจนกระทั่งจิตใจของเราเนี่เคลื่อนไหวไปทางไหนเรารู้ทันหมดเลยนะพุโทโธพุโทโธหนีแวบไปแล้วรู้ทันพุโทโธพุโทโธแล้วเพ่งแล้วรู้ทันนะพุโทโธแล้วสงบสุขวีตีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันใจของเราเรื่อยๆพุโทโธเพื่อจะรู้ทันใจคําว่าพุทโธหรือพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวจิตของเรานั่นเองเราท่องพุโทโธพุโทโธเพื่อจะเข้ามารู้ให้ถึงจิตถึงใจตัวเองนะ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 แล้วเวลาที่เหลือรู้กายรู้ใจไปเราผู้ใหญ่แล้วทามาหากินต้องคิด mm. เวลาคิดทำมาหากินคิดไป mm. วเวลาที่เหลือเนี่ยรู้กายรู้ใจตัวเองไปตอนนี้ใจลอยแล้วรู้ไหมหนีแวบๆบแบบไปดูออกไหมเนี่ยแหบบัดอย่างนี้นะหนีแวบรู้ทันแวบบรู้ทันเนี่ยไปอีกแล้วรู้ไหม <c oughs> เป็นไงอยากกลับแล้วหรือ <c oughs> ของโยมฝึกมาแบบไหน เอาพุโทโธงั้นฟังไปแล้วนะเรียนจากใครละ่ะเป็นอาจารย์ไหนสอนให้อมหัดไปหัดพุดโทโธไปนะพุโทโธเรารู้ทันใจไม่ใช่พุโทโธเรื่อยๆนะพุโทโธไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางใช้ไม่ได้เราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรนี่ต้องรู้คอรู้เรื่อยๆอจริงๆง่ายหลวงอเริ่มต้นมาก็จาก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 ตามมองเห็นจิตใจเราเป็นยังไงขึ้นมาเราก็รู้หูได้ยินเสียงจิตใจเป็นไงก็รู้ใจเราคิดแล้วจิตใจเราเป็นยังไงเราก็รู้เร่มาอยู่ในชีวิตจริงๆหรือบางคนหัดขยับนะาสายลงพ่อเทียนหัดขยับก็ใช้ได้เหมือนกันจริงๆเรากำรัฐานอะไรก็ได้นะก็มียกเว้นเหมือนกันนะเพ่งๆอะไรต่ออะไรแล้วก็เห็นนูนเห็นนี่ออกนอกไปอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ถ้ารู้กายรู้ใจตเองอยู่นี่ใช้ได้เหมือนกันหมด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 กรรมฐานที่รู้ทันกิตใจตัวเองเนี่มันเหมาะกับคารวาะเอามาใช้ในชีวิตจริงๆได้อย่างถ้าเราจะเดินขยับมือออกมานอกวัดนอกสำนักใช่ไหมชาวบ้านเขาหลีกหมดเลยนะอตัวอะไรมาก็ไม่รู้หน้าถ้าทางน่ากลัวหรือเราจะข้ามถนนเราก็โยกย่างอะไรนั่นเดี๋ยวรถทับเอาดูแปลกแต่ถ้าเราดูจิตดูใจมันจะกลืนอยู่ในธรรมชาติไม่มีคนอื่นรู้เลยว่าเราปฏิบัติอยู่มีแต่เราเจ้าของนี่แหละรู้เอง ใจเราหนีแวบก็รู้ใจเป็นไงก็รู้งั้นรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยมันคือการฝึกซ้อมเบื้องต้นนั่นเองเหมือนนักมวยเข้าค่ายซ้อมเตะกระสอบต่อยกระสอบนะฝึกซ้อมชั้นนี้ชํนานาญแล้วก็ออกมาสู้จริงๆขึ้นเวทีจริงของเราเบื้องต้นก็หัดกรรมาฐานอันใดอันหนึ่งตามที่เคยฝึกกันนั่นแหละฝึกดูท้องของยุบก็ดูไปเห็นร่างกายนี้มันพองร่างกายมันยุบนี่พวกรู้กาย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 หนีไปคิดแล้วทราบไหมนักพุโทโธใจหนีไปคิดรู้ทันหันไปดูเขาลืมตัวเองนึกออกไหมไม่ห้ามนะหลวงพ่อไม่ได้ตําหนินะหลวงพ่อกําลังสอนให้หัดรู้ทันใจตัวเองใจเราวิ่งไปเรารู้ใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้หนีไปคิดแล้วทราบไหมนะมันลืมไปละใช่ไหมไม่ห้ามมันแต่ต่อไปพอเราจําได้ว่าใจเผลอไปคิดเป็นไงเพราะมันเผลอปั๊บสติจะเกิดเอง สติตัวจริงจะเกิดเองนะสติที่ไปกําหนดให้เกิดยังไม่ใช่ของจริงงงทราบไหมงงรู้ว่างงนี่อ่ารู้ลงไปซิความงงเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยดูอย่างนี้นะโรคเกรดหลงขึ้นมาก็รู้ไปอย่างนี้นะ่ะนะความสงสัยเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเอาทีมนักดนตรีเอาคนไหนก่อนตังก่อนไหมอาวุโสอ่ะ เขาให้มันสั้นหน่อยก็แล้วกันถังดีแล้วค่อยฝึกไปเวลากิเลสเกิดถังก็เห็นแล้วใช่ไหมตอนนี้ดีแล้วละ่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ใช้ได้ดูไปหลับหลับเป็นไงไม่มีอะไรแปลว่าทุกอย่างว่างเปล่าเป็นสุญญาตา <c oughs> เอาดีแล้วที่ไม่มีนะกิเลสเกิดไหมเห็นบ่อยไหม ดีแค่นั้นพอละนะเห็นกินเลสเนะีวิเศษละช้างอนะช้างจะมีจะมีความรู้ความกังวลใจเป็นประจำแล้วพอรู้แล้วจะกระโดดเข้าไปโกรธมันออดีที่รู้ทันนะพรู้แล้วก็เข้าไปโกรธมันเนี่ยดีที่ตรงนี้เห็นนะถ้าไม่เห็นนะช่วยตัวเองไม่ไหวนียสุดใจจะเป็นกลางนะ อะไรเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางไม่ไมเปเกลียดมันมันก็ยจะเป็นทุกข์อยู่เรื่อยเลยไม่สบายใจเลยเอ้วช่างมันเถอะ <c oughs> ก็ชีวิตนี้เป็นทุกข์จะให้มันสุขได้ยังไง <c oughs> เห็นทุกข์แหละเรียกอริยสัจนะถ้าดูทีไรอู้สุขทุกวันเลยอาการหนักละลูกศิษย์ห <c oughs> ลวงพ่อมีคนหนึ่งนะพาคงรู้จักอะ่ะสุ ข, ขสุขคสุขยังเลยค่ะมาทีไรก็สุขสุขตาลอย สุขหลายหลายว่าหลกงพ่อต้อโขกก็ให้สุขอะไรนักหนามันมีแต่ทุกข์ถ้าไม่หลงมันไม่สุขหรอกนะชีวิตมันทุกข์ต่างหากหละนะงั้นดีแล้วช้างนี่ชื่ออะไรห่วงพ่อลืมไปแล้วอะไรนะเออโน้ตว่างไงดีละเนี่ยเผลอไปอีกแล้วทราบไหมเนี่ยมันไหลแวบรู้ทันแวบรู้ทันไปเรื่อยอะไรนะ เออใจตอนนี้เป็นไงใจขณะนี้ ส, ส, นสับสนรู้ลงไปเลยว่าสับสนนะหลวงพ่อไม่ได้เทศให้รู้เรื่องสังเกตไหมหลวงพ่อเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์หลวงพ่อพูดตามใจตัวเองไม่ตามใจคนฟังนะเนี่ยฝูหลวงพ่อหลอกลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ลงไปอย่างนี้นะรู้ลงไปหลวงพ่อพูดเพื่อเป็นเพื่อนเราเท่านั้น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 เคยฝึกไหมเคยฝึกแต่ไม่สดเเหลือเอาอะไรบ้านไม่สำเร็จน่ะคือนั่งอนั่งแล้วก็ถ้าไม่หลับก็จะึกนิ่งอืมมันก็มีสองอันนะมันพอมันจะนิ่งมันก็หลับพอไม่หลับมันก็ไม่นิ่งเห็นมนี่วิธีฝึกนะอย่าไปนั่งพยายามกระดุกกระดิกไว้ เคยกวาดบ้านไหมกวาดบ้านอทำน้น่ท น, นทำนี่ไปเรื่อยๆทำน้น่นทำนี่ไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราอย่างเรากวาดบ้านเนี่ยกวาดๆไปเราก็ชักลำคาลละคนอื่นชอบมาทำรกเนี่ยเราก็รู้ทันใจเราลำคาลนะหรือเพื่อนเราโทรศัพท์มาหาเรานะพอได้ยินเสียงเราก็ดีใจเคยเป็นไหมดีใจให้รู้ว่าดีใจ น, นะหรือ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 ถ้าเราแยกกายแยกใจได้นะเราซ้อมไปเรื่อยๆเวลาเราจะตายเราจะไม่ทรมานมันจะเห็นเลยร่างกายนี้มันไม่สบายนอนหายใจขแมววขแมแหววนใจเรามีความสุขเนี่ยค่อยๆฝึกไปคือว่าถ้าถ้าเย็บเสื้อนะจังก็ปวดปวดหลังแ้ก็ยัง้งงง <laughs> องอยากอยากทำอไหรอไปเย็บเสื้อมากมากเลยปวดหลังนั่งนาน นคอ่นานาน อ, คอยดูใจไปนะวันไหนเย็บเสื้อได้ดีก็มีความสุขใช่ไหมวันไหนเย็บผิดก็ไม่ค่อยพอใจเนะี่ยเนีายให้คอยดูใจไปอย่างนี้พอไหวไหมคอยดูใจเรื่อยๆนะเย็บเสื้อเราก็ปฏิบัติได้เห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าให้ไปนั่งหลับตาปฏิบัติน ะ, นะ อ, อชอบเย็บเสือ้อก็เย็บเสื้อนี่แหละเย็บเสื้อแล้วปฏิบัติเอาะวันนี้เย็บได้ดีมีความสุขวันนี้เย็บผิดแล้วผิดอีกชักหดหงิดโมโห โมโหโตัวเองรู้ว่าโมโหเพราะงั้ น, ะนเย็บเสื้อไปดูใจไปอ้าวบิ๊กว่าไงบิ๊ก เ, เอาอีกแล้วเรื่อยๆภาษาไทยคำนี้นะไม่รู้แปลว่าอะไรอ๋อดูเรื่อยๆก็ดูสิแม่บอกเรื่อยๆ เออดีนะดูไฟไกน่นี้มันทํางานของมันเองใจนี้มันทํางานเองดูเท่านี้ก็พอละวนะบางคนดูไม่นานเขาก็ผ่านอ่ะอ้าวหนุ่มนั้นลืมหลงอีกคนหนึ่งทีมนักดนตรีใช่ไหมเออเป็นชื่ออะไรหลวงพ่อลืมเออเน็ตว่าไงทีมนักดนตรีดีขึ้นนะในภาพรวมดีขึ้น อ, อ้าคุณหมีคุณแมมส่งกันบ้านเออดี ดิ้นยังไงก็ไม่ได้หรอกนะเลิกดิ้นถึงจะได้เพรายิ่งดิ้นนะใจมันมีความอยากก่อนเพราะมันอยากมันก็ดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งไกลถ้าเรารู้ทันใจที่มีความอยากนะรู้ว่าดิ้นไปก็ทุกข์นะบังคับมันไม่ได้จริงใจหมดการดิ้นรนใจจะมีความสุขเราจะพบกับความสงบสุขแมมง่ายแมมง เ, เออเผลอนานไม่ดีนะคอยเตือนกันนะคอยเตือนกัน แต่อย่าทะเลาะกันนะเตือนไปเตือนมาบางบ้านให้เตือนกันไปเตือนมาเลยโมโ ห, โหเลยหาว่าคอยจับผิดดูเรื่อยๆนะดูไปใช้ได้แล้ว <c oughs> นะดีแล้วล่ะเอาคู่ข้างหน้าขัดมาสองคนเนี่ยตัวอะไรนะเอาช่างมันไม่จําเป็นต้องเห็นหรอก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 ไม่จำเป็นต้องไปเห็นในช่องว่างนั้นนะเห็นก็ช่างมันไม่เห็นก็ช่างมั น, านพาเป็นไงนใช่มันทุกขเข้าไปเสือชิตนะแทนที่เราจะไปสนใจคนอื่นนะพาพาย้อนมาเรียนตัวเองพาเห็นแม้ใจเราเรายัางบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับใจใครได้รู้สึกแม้ใจเรานี่เปลี่ยนตลอดเวลา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 มันแค่นี้เองนะจริงๆคนเราอยู่ด้วยกันชั่วครั้งชั่วคราวทะนุถนอมกันไว้ดีกว่าอยู่กันชั่วคราวนะสำนวนจีนนบอกว่าพี่น้องเหมือนแขนขาแต่ทั้งสามีภรรยาอย่างเหมือนเสื้อผ้าเลยนะ <c oughs> พี่น้องเหมือนแขนขาอยู่กับเราหายไปไหนไม่ได้อะนะอย่างบางคนมีแฟนมีสามีมีภรรยานะ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 แกบอกไม่ใช่เสื้อผ้าของแกเนี่ยหมายถึงสามีแกพระราชาก็เลยไปจับไปเรียกไรคนที่ถูกจับมาหลายคนเลยนะมาให้ดูเนี่ยมีพี่ชายแกด้วยสามีแกด้วยแล้วบอกเอาคนไหนแลบอกนี่เอาพี่ชายอา้าวทาไมไม่เอาสามีบอกสามีนี่เหมือนเสื้อผ้าพี่ชายแกญาติพี่น้องแกเหมือนแขนเหมือนขาแก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 หนีไปดูเด็กอ่าไปดูเด็กใจไหลไปที่เด็กแว๊บรู้ทันนะพอรู้ทันเรื่อยๆถ้าพาคอยรู้ทันใจตัวเองตัวเองจะทุกข์น้อยลงถ้าเราคอยดูแต่คนอื่นนะเราจะทุกข์เยอะพอดูคนอื่นแล้วเราจะคาดหวังว่าเขาห น, น, <opping. S 2> น้าจะอย่างนั้นเขาหน้าจะอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราหวังนะเราจะทุกข์เยอะถ้าเราดูใจเราเราจะเห็นได้ใจเราเปลี่ยนทั้งวันเรายังบังคับใจเราไม่ได้เลยดูไปดูมาแต่เรายกโทษให้ตัวเราเองได้นะ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 คนแต่ละคนเป็นอย่างที่เขาเป็นอะ่ะเขาทําของเขายังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นอย่างพาพอมาฝึกปฏิบัตินะจิตใจของพาเขาจะสงบใจจะเย็นอะไรเงี้ยภาก็ต้องทําเองจิตใจถึงเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้คนอื่นแทนเราก็ไม่ได้เราก็ไปทําแทนคนอื่นไม่ได้เหมือนกันนันจริงๆเราบังคับใครไม่ได้จริงหรอกมีแต่ทุกข์นะอยากให้เขาดีแล้วเจอทุกข์เยอะเรียกว่าความทุกข์ของคนดี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 มาฟังครั้งหนึ่งยังไม่เข้าใจเอาซีดีไปฟังซีดีก็แจกด้วยนะไม่เอาไปฟังนะฟังไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเข้าใจเราจะรู้เลยว่าโอศา ส, สนาผูา้น่อัศจรรย์ที่สุดเลยแล้วเราลงมือปฏิบัติแนละ้วความทุกข์ก็ร่วงหายลงไปต่อหน้าต่อ ต, อตาได้เลยถ้าเรารู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ความทุกข์ไม่มานะความทุกข์มาตอนเฟลอเนี่ยตอนนี้รู้สึกไมหมเฟือลืมกายลืมใจตัวเองละให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆใจมันจะตื่นขึ้นมา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 เนี่ลืมอีกแล้วรู้สึกไหมไม่ยากหรอกนะไม่ยากอะไรคร right? ับคุณผู้ชายถัดไปก็เป็นตอบถูกแล้วตอบเป็นธรรมะไปเลยส่วนใหญ่จะเผลอไปคิดฟุง้งซ่านถูกต้องเป็นอย่างนั้นทั้งโลกเลยนะเพราะฉน<ล>ะ น, นั้นเผลอเนี่ยมีหกแบบเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นริมรสเผลอไปสัมผัสรู้สัมผัสทางกายเผลอที่เกิดบ่อยที่สุดคือเผลอบิดคิด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 เห็นไมลืมกายลืมใจตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมใจมันมาอยู่กับหลวงพ่อหน่อยเดียวก็ลืมตัวเองแะ้วใส่ใจไหมไม่ได้ฟังหลวงพ่อตลอดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมฟังแล้วก็คิดคิดเดยอะกว่าฟังอีกเพราะนั้นใจเราไปคิดเรารู้ทันมันเราก็จะตื่นขึ้นมาคุณผู้ชายนี่ลืมกายลืมใจตัวเองแล้รู้สึกไหมนี่หันไปดูเขาใช่ไหมลืมตัวเราเองนึกออกไหม เนี่ยเมื่อไรเราลืมตัวเองนะเมืนะ่อนั้นเรียกว่าขาดสติทั้งหมดเลยเอารุ่นจิ๋วหายไปไหนคนหนึ่งละอ่าเหรอเด็กรุ่นนี้ดีดีทั้งหมดเลยมีใครโตแล้วอยากบวช ม, ม, มั้มมีไหมนี่ละโอ้นี่ละไม่บวชหรอยกนะเร็ว อ, อายเขานะยกแนละ้วสามคน <c oughs> อ่าดีเอามือลงได้ <c oughs> หัดภาวนาหัดรู้สึกบ่อยๆ นะรู้สึกตัวไปเรื่อยเนี่ยจิตใจจะสว่างไสวมีความสุขใจลอยละรู้สึกไหมเนี่ยใจลอยมีกขวละเป็นที่เก้าขวบเหร อ, อข้าบุญที่โตเขาเพื่อนเลยเอ้าสิบสองขวบใช่ไหมรู้สึกไว้ใจลอยไปแล้วอย่าไปนั่งเพ่งนะอย่าไปบังคับรู้สึกไหมเราบังคับตัวเองอยู่ ไม่บังคับนะให้เรารู้สบายๆอย่าบังคับในคุณผู้ชายถัดมาเป็นไงบ้างรู้เรื่องบ้างยันเออพอได้อยู่อย่นี้ดูไปเรื่อยๆนะขยันนะทำแล้วมีความสุขคุณผู้หญิงถัดมาอาถามได้แต่ตอบเปล่ายัางไม่แน่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 อืมแล้วครั้งสุดท้ายไห ม, ไมจริงๆแล้วก็มาฐานไม่ยากนะ <c oughs> เลือกให้มันถูกกัจจลิทิตนิสัยเรานิสัยของคนมีสองกลุ่มพวกคิดมากกับพวกโลภมากพวกร่มากพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ควรจะรู้กายพวกคิดมากควรจะดูจิตนะกัจจลิตมีสองา น, นของคุณนะ่ะพวกไหน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 สัง เ, เกตไหมมันเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าสัง เ, เกตไหมร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงท้องมันพองยุบมันไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยมันเป็นวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ดูอย่างนี้ยดูดูระวางใจให้ถูกอะ่ะอย่าไปลงไปเพ่งถ้าลงไปเพ่งแล้วไม่เกิดปัญญามจะเกิดสมถะใจลอยแล้วทราบไหมใจลอยไปแล้วทราบไหมเออให้ใครรู้นะเห็นไหมใจลอยแวบแวบดูออกไหม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 ส่วนใหญ่จะชอบไปเพ่งเพ่งท้องพอไปยกเท้าย่างเท้าก็ไปเพ่งเท้าถ้าปฏิบัติถูกเราจะเห็นในร่างกายที่กําลังเดินอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเดินรูปมันกําลังเดินอยู่ใจเราเป็นคนดูเนี่ยอย่างนี้ถึงจะืกว่าทําถูกนะถ้าเพ่งเท้าเดี๋ยวได้แต่สมถภาพไหวไหมคุณข้างหลังด้วยนะฝึกมาพองยุบใช่ไหมอย่าไปบอกว่ายุบหนอพองหนอนะเดี๋ยวอาจารย์ว่า เมื่อต้นเดือนนี้หลวงพ่อก็เข้าไปเมื่อเดือนก่อนในเดือนธันวาต้นเดือนธันวาเข้าไปที่วัดมหาศีเลยของท่านมหาศีสยดาดอก็้ไปดูเขาภาวนากันเขาไม่เคลื่งเครียดเท่าเมืองไทยนะใจเขาสบายสบาย